โยมเนี่ยคือยุคนี้มันเป็นยุคที่พระมาจัดข้อปฏิบัติให้โยมโยมก็มาจัดข้อปฏิบัติให้พระโยมแล้วต้องทําอย่างงี้อย่างางี้งี่สิโยมบอกพระต้องทําอย่างงี้อย่างงี้สิบอกโอ๊้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนอวัดตะเนี่ยก็เลยทะเลาะกันตลอดพระก็บอกโยมไม่ดีเลยใช่ไม่ได้โยมบอกพระเลวมากไม่นี่ยทาบุญเลยนะก็เลยมานั่งทะเลาะกันบาป ท, ทั้งคู่เลยคนนี้ไม่มีใครได้ขึ้นสวรรค์นเลยคนนี้ท่ามัวแต่เป็นอย่างนี้อยู่ เพราะฉะนั้นส่วนไหนเป็นประโยชน์ของตนก็ทำเธอส่วนประโยชน์ของท่านหน้าที่ของผู้อื่นก็ดูแลของหน้าที่ของเขาเองแหละบุญของเราก็บุญของเรากิจการของคนอื่นก็เป็นของคนอื่นเธอะนั้นบ้านบ้านอื่นเขานอนตื่นสายเราไม่ต้องไปเที่ยวปลุกเขามากหรอกเนไเดี๋ยวเขาจะตื่นมา้ก็ไม่อะไรอะไรให้ขวดให้แก้วให้กระเบื้องนี่จะลบากมันของใครก็ของใครละพยายาม นะระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังความคิดของเราให้มันดีที่สุดเพราะว่าประโยชน์ทั้งหลายพุทธพจน์ตรัสว่ามีประโยชน์ของตนเป็นอย่างยิ่งประโยชน์ผู้อื่นถึงจะมากเลยนะเชื่อเถอถ้าเราบอกว่าอุ้ยสุดแท้แต่ผู้อื่นจริงจริงนะพระพุทธเจ้าท่านก็ไปดีแล้วไม่ใช่หรือพร ะ, ะสาวกของพระองค์พระสารีบุตรก็ปฏิบัติดีแล้วไม่ใช่หรือเป็นต้นทําไมเราไม่เอาดีตามทําไมเราเอาคนเลวมาเป็น ตัวอย่างมาเอาเป็นเยี่ยงอย่างเนี่ยนะก็แสดงว่าเราแยกดีแยกชั่วไม่ได้แสดงว่ากรรมสกตาของเราไม่ไม่ดีพอมันก็มาแยกเนี่ยนะแยกให้ดีๆก็แล้วกันถ้าแยกเป็นเนี่ยก็จะรักษาจิตไม่ให้ตกไปในบาปนี้ต่อไปมาดูว่าถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจริงนนะย้อนกลับมาท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีสมาศีลสมาปนโน ศีลสมาปัโนแปล ว, ว่าผู้ถึงพร้อมด้วยศีลลักษณะคุณธรรมของผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นยังไงหนึ่งท่านมีศรัทธาผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศีลนะจะมีกรรมมสกตารตธาวิปากศรัทธากรรมมวิปากศรัทธาเนี่ยนะท่านมีศรัทธาเห็นเลื่อมใสในเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อว่ากรรมนั้นมีผล พันสาวกผู้ที่มีศีลจริงๆเนี่ยคือผู้ที่มีกรรมมสกตาเป็นอย่างดีรู้กรรมและรู้ผลแห่งกรรมถ้าใครรู้จักกรรมรู้ผลแห่งกรรมและจะทำบาปให้ตัวเองไว้ทำไมใช่ไหมเมื่ อ, อการที่ไม่ยอมทำบาปไม่ยอมประทุษร้ายแก ต, ตัวเองโดยที่ไม่ยอมให้ตัวเองเนี่ยทุศีลพันผู้นี้แหละเาเรียกว่าผู้มีศีลเพราะผู้มีศีลเนี่ยจะมีศรัทธาผู้มีศีลมีหิริโอตปะ ผู้มีศีลศีลที่จะได้ยาวได้ยืดได้เป็นศีลที่มาตรฐานศีลที่ดีระยะยาวศีลเหล่านั้นก็ต้องเป็นศีลที่มีปัญญาประกอบผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลไม่ใช่ไม่มีปัญญาประกอบนะท่านมีปัญญาประกอบแต่ศีลเป็นเป็นคุณธรรมที่โดดเด่นทีนี้คำว่าศีลเนี่ยถ้าแบ่งเป็นศีลเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆญ่ใช่คือจารีศีลกับวารีตศีลจารีแปลว่าศีลที่จะต้องประพฤต วารีตแปลว่าศีลที่จะต้องเวน้นส่วนใหญ่เราจะฟังเฉพาะศีลประเภทเวน้นเช่นเว้นจากการฆ่าเจตนาที่เว้นจากการฆ่าเจตนาที่เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เจตนาที่เว้นจากการประพฤติผิดในการมการล่วงอพรรมจันทร์เจตนาที่เว้นจากพูดเท็จพูดคายาพูดเพ้อเจ้อผู้ส่อเสียดเจตนาที่เวน้นเหล่านี้เป็นเจตนาศีลนะ เป็นเจตนาที่งดเว้นแล้วเจตนาที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติล่ะนะปฏิบัติอย่างไรอปัจญานะใหม่นั้นจึงเป็นศีลใช่ไหมเป็นกุศลประเภทศีลถ้าเขาเป็นผู้เจริญกว่าเราด้วยอายุเจริญกว่าเราด้วยอะไรวั น, นะเป็นต้นเนี่ยเช่นเขาวั น, นะกษัตริย์เป็นต้นเนี่ยถ้าเขาเจริญกว่าเราด้วยอายุวัยวุฒิคุณวุฒิเป็นต้นบุคคลนั้นก็เป็นคนที่เราควรอ่อนน้อมแก่เขา พันการน้อมไปเพื่ออ่อนน้อมแก่เขานั่นก็เป็นศีลของเราเป็นศีลของเราเพราะพยายามที่จะมองทุกอย่างให้เป็นจารีตศีลกับวาฤตศีลให้ได้จาริตะจาริตะแปลว่าความประพฤติวารฤตแปลว่าการงดเว้นประเวนให้เป็นปกติประพฤติให้เป็นปกติเรียกว่าจารีตจารีตก็คือผู้มีการประพฤติเป็นกุศล เป็นปกติเป็นอัธยาศัยเพราะสีเนี่ยก็บางทีก็หมายถึงสีละนะด้วยนะสีนี่หมายถึงอะไรสีละนะก็คื อ, อลักษณะของสีละนะหมายถึงหนึ่งกายวาจาไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายอุปทารณะรองรับคุณธรรมชั้นสูงต่อไปต่อไปผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสีเนี่ยกายวาจาไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายคนที่ทำกายกระจัดกระจายมันเป็นยังไง โอ้ยตามแก้แล้วตามแก้อีกนะไปทําอะไรมาสักก็ตามแก้สิ่งที่ตัวเองทํานั่นแหละอันนี้กายกระจัดกระจายวาจากระจัดกระจายเน่ยพูดอะไรเสร็จแล้วแล้วก็เ ค, คยเห็นไหมพูดเสร็จแล้วก็เดือดร้อนตามแก้แก้เสร็จแล้วก็แ ก, แ ก, แก้ยิ่งแก้ยิ่งพันยิ่งพูดยิ่งยุ่งอ่ะนะประเภทนี้แหละวาจากระจัดกระจายวาจาเ ก, กลื่อนกล่นไปหมดมันยุ่งเหยิงทางกายบ้างยุ่งเหยิงทางวาจาบ้าง ัผู้ที่มีศีลละนะดีกายวาจะไม่เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกระจายขณะเดียวกันรองรับคุณธรรมชั้นสูงโดยเฉพาะอะไรคุณธรรมที่ที่ควรที่เป็นที่รองรับที่เกิดจากเป็นผู้มีศีลก็คือความไม่เดือดร้อนใจเป็นต้นใช่ั้ยคำว่าศีลเนี่ยโดยปกติเนี่ยศีลสมาปันโนตัวนี้แปลว่าท่านพร้อมด้วยโลกิยะศีลและโลกุตระศีล แบ่งออกเป็นสองอย่างนะศีลที่เป็นโลกิยะและศีลที่เป็นโลกุตระศีลที่ที่เป็นมหากุศลกับศีลที่เกิดกับโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลเป็นต้นเพราะว่าศีลที่เกิดร่วมกับโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลเป็นต้นนั้นก็เป็นโลกุตระศีลเพราะนนั้ท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลทั้งที่ศีลโลกิยะและโลกุตระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลอย่างนี้แล สาวกของพระพุทธเจ้านั้นสมาธิสมาปัโนโเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปจาระสมาธิยังผู้ถึงผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสมาธิจริงๆก็คือพระมหามโมคลานะที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเอาเอาเต็มเปี่ยมเลยนะพระโมคลานะเนี่ยมณสิการอะไรแล้วเข้าฌานไม่ได้มีไหมในโลกท่านคิดถึงอะไรแล้วเข้าฌานไม่ได้เลยนะมีไหมธรรมาชานเนี่ยอุปจาระฌานกับอัปนาฌานเนี่ยนะ ท่านจะต้องเจริญกรรมฐานได้หมดเลยท่านเห็นสีขาวท่านก็เข้าอะไรกสินโอทาตกรสินเห็นสีเหลืองท่านเข้าอะไรกสินปีตะกสินเห็นสีแดงท่านก็เข้าโลฮิตากสินท่านเห็นสีเขียวนลกสินท่านเห็นดินปฐวีกสินเห็นน้ําอาโปกสินเห็นลมวาโยกสินอะไรอีกเห็นไฟเตโชกสินเห็นอากาศ อากาศกษินเนี่ยนะแล้วถ้าท่านมองเห็นที่เรียกว่าเห็นคนที่น่ารักมากท่านเจริญอะไรติยมนาปะสัตท่านก็เจริญเมตตาท่านเห็นอู้ยทำไมมันน่าสงสารขนาดนี้ท่านก็เจริญกรุณาเห็นคนเขาได้ดีท่านก็มุทิตาเห็นทั่วไปท่านก็อุเบกขาพรหมมิหารท่านเจริญพรหมมิหารได้หมดเลยขณะเดียวกันเนี่ยท่านมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังปั๊บท่านก็เข้าเจริญอสุภะได้สิบประการหมด นนะเห็นอะไรท่านก็เจริญพุทธคุณได้เจริญอนุสติท่านได้หมดเลยแหละวันจิตของท่านเนี่ยฝึกชำนาญขนาดนั้นวันท่านเห็นอะไรท่านมานาสิการอะไรก็ได้ท่านเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสมาธิคนที่ไม่มีสมาธินะเรื่องไม่เป็นเรื่องเอามาฟุ้งได้หมดอะเรื่องไม่เป็นเรื่องเก็บมาจนลำบากใจเก็บมาจนนอนไม่หลับได้หมดเลย ไปเก็บเรื่องนั้นผสมกับเรื่องนี้ปะกับ เ, เรื่องนู้นปนกับเรื่องนี้โจ้ตัวเองนอนไม่หลับเครียดก็เครียดอึดอัดงึดอัดเนี่ยนะแต่ถ้าผู้มีสมาธิดีมนสัสการอะไรใจก็สงบได้เพราะมีวิธีคิดให้ใจสงบได้ น, นะแก้ไขความคิดตัวเองไม่ให้ฟุ้งซ่านได้เรียกว่าผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสมาธิก็ถ้าศึกษาโดยเฉพาะกรรมฐานไว้กว้างๆเนะี่ยเห็นอะไรมั่งคิด คิดเป็นกรรมฐานไม่ได้มีไหมสักอย่างหนึ่งหามาเถอะในโลกนี้คิดแล้วไม่ไม่เข้ากับกรรมฐานเลยหาเจอไหมปัญหาก็คือไม่ได้เรียนกรรมฐานมาก็เลยไม่รู้จะมาเอาอะไรมาเครื่องวัดเลยนะมันก็พยายามอ่านสมาธินิเทศเอาไว้ให้ดีๆแล้วก็คิดเถอะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นอ ร, ริมณะปัจจัยของกรรมฐานทุกอย่างเป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้หมดเลยเป็นอารมณ์ของอุปจารสมาธิหรือ อัปปนาสมาธิพ ะ, ะเห็นฝุน่นปั๊บเนี่ยนะเจรณาหาเรปฏิกูลสัญญาได้ไหมาหาเรปฏิกูลสัญญายัางเจริญได้เห็นฝุน่นก็เจริญธาตุกรรมฐานได้เนี่ยนะเจริญอสุภะกรรมฐานก็ได้เจริญกสินก็ยังเจริญไดเ้เห็นฝุน่นเจริญกสินได้ไหมถ้าฝุน่นรวมๆกันเต็มไปหมดเรียกอะไรเรียกว่าแผ่นดินแผ่นดินก็คืออะไรก็คือฝุน่นนั่นแหละที่มันเกาะกันก น, นะนีก็ต่อด้วยกสินอย่างอื่นก็ได้ทีนี้ถ้ามีอ่ามีสิ่งรวมกันปั๊บมันก็มีสีอยู่ในนั้นใช่ไหม ออกสีขาวบ้างเพราะจริงๆอ่ะตัวปัมหาพูดเนี่ยนะมันไม่มีสีเป็นตัวเองหรอกเนี่ยนะมันสะท้อนให้เห็นเป็นสีขาวบ้างสะท้อนให้เห็นเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงบ้างนะผู้ที่เขาอบรมกระสินมาเป็นอย่างดีเห็นอะไรก็เจริญกระสินต่อไปได้หรือไม่ก็พิจารณาเป็นธาตกรรมฐานก็ได้เนี่ยนะเป็นอสุภะกรรมฐานเป็นกรรมฐานอย่างใดอย่างใดต่อไปก็ได้ มันผู้ที่บริบูรณ์ด้วยสมาธิเนี่ยปรารบอะไราใจก็ไม่ฟุ้งซ่านซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่ไม่มีสมาธิเนี่ยนะฟุ้งไปทุกเรื่องอะ น, นะคนที่มีสมาธิเนี่ยนะอ่านพระไตรปิฎกก็สงบสบายใจนิ่งคนที่สมาธิไม่ดีเห็นพระไตรปิฎกก็ฟุ้งแล้วโอ้ยเล่มตั้งหนานะเนี่ยใครจะไปอ่านจบใครจะไปอ่านรู้เรื่องโอ้ยคิดจนฟุ้งจนหน่ายนะแย่กก็สบายดีนะคิดจนเดือดร้อนจนหน่ายยังไง ปัญญาสมาปโนผู้สมถึงพร้อมด้วยปัญญาเนี่ยนะคำว่าถึงพร้อมด้วยปัญญาปัญญาก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มอย่างที่ว่าโลกิยะปัญญากับโลกุตระปัญญาปัญญาชั้นแรกๆก็คือสุตมยะปัญญ า, านะผู้หูสูตรผู้ที่เป็นปู้หูสูดนี่แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มผหูสูดที่ผ่านหูมามากได้ยินได้ฟังมาเยอะกับผู้ที่พิจารณามากก็เรียกว่า พูสูต ร, รูสูตรทางปริยัติและทางปฏิเวทเนี่ยนะหูสูตรทางปริยัตและปฏิเวทมันผู้ที่เป็นพหูสูตรเนี่ยเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งของผู้ที่มีปัญญามันผู้ที่เป็นระหูสูตรมีสุตตะเยอะๆเนี่ยนะสั่งสมสุตตะไว้มากๆก็ถือว่ามีปัญญาแล้วก็สามารถมีสุตตะมายะปัญญาก็จะต่อด้วยจินตามายะปัญญาและภาวนามายะปัญญา บางคนรังเกยียจสุตะมยะปัญญาสมัยใหม่เข้ามาแปลกใจว่าทําไมามาชิงชังสุตะมยะปัญญาอู้นี่มันปริยัตมันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบนี่นะเป็นสมัยที่เริ่มวิปริตแปรปรวนเห็นของดีเป็นของเลวร้ายไปทั้งหมดนละ้วเนะยาว่าแต่คารว่าเลยแม้แต่พระพิสุลายรูปก็ไม่ใช่เออไม่เบาเหมือนกันเห็นโทษของสุตตะมยะปัญญาเป็นต้น อันนี้ประกาศถึงว่าทิฐิเริ่มวิบัติมากขึ้นเห็นว่าปัญญาเป็นสิ่งเลวร้ายเนี่ยก็กลายเป็นอย่างนั้นไปฉันั้นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาก็คือด้วยโลกิยะปัญญาสมบูรณ์ด้วยกรรมสกตาปัญญาสมบูรณ์ด้วยชาณะปัญญาวิปัสนาปัญญามัคคปัญญาและผลปัญญาเนี่ยนะหรือสมบูรณ์ด้วยญาณนะทั้งหลายแล นันผู้ที่มีปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะโลกุตระอย่างนี้เนี่ยก็ถึงความพ้นทุกข์ด้วยพ้นทุกข์ได้ศีลสมาธิปัญญาท่าสามัคคีกันเมื่อไหร่เป็นอะไรเป็นอริยมรรคศีลสมาธิปัญญาท่าสามัคคีกันเมื่อไหร่เป็นมรรคเพราะศีลคือสัมมาวจจะสัมมากรรมตะและสัมมาอาชีวะสมาธิคือสัมมาวายมะสัมมาสติและสมาสมาธิปัญญาล่ะ สมาทิฏฐิกับสัมมาสังกปะถ้าสิ่งเหล่านี้รวมกันเมื่อไหร่ก็เป็นมรรคผลของมรรคก็คือวิมุตติสมาปันโนท่านถึงพร้อมด้วยวิมุตติคืออริยผลทั้งหลายความที่ท่านอบรมในศีลสมาทิปัญญานั่นแหละผลของท่านคือได้วิมุตติวิมุตตินี้ก็แบ่งเป็นอะไรวิมุตติระดับโสดาปติผลสกทาคามิผลอานาคามิผลและอรหัตตผล เมื่อหลุดพ้นแล้วก็มียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอันนั้นเป็นวิมุตนะมติยานทัศนะเนี่ยนะวิมุตติยานทัศนะก็คือถึงพร้อมด้วยปัจเจกขณะยานพิจารณาอริยมรรคที่ได้ปฏิบัติพิจารณาสามัญญผลที่ทำให้แจ้งพิจารณาทุกที่ได้ทำปริญญาไปแล้วพิจารณาสมุทัยที่ละได้แล้วพิจารณานิพพานที่เป็นอารามณะปัจจัยของมรรคอันนี้เรเรียกว่าปัจเจขณะยาน นั้สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยการพิจารณาจริงๆเลยนะปัจเจกขณะยานคืออะไรคือพิจารณาอริยสัจอันนพิจารณากิเลสที่ละไปแล้วก็คือพิจารณาสมุทัยนั่นแหละพิจารณากิเลสที่ยังเหลือก็คือที่ยังไม่ได้ทำปริญญาก็คือพิจารณาทุกขสัจกับสมุทัยสัจเพิ่มพิจารณามรรคสัจพิจารณาผลของมรรคพิจารณานิพานมันปัจเจกขณะยานก็คือพิจารณา อริยสัจปัจเวกขณะยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพิจารณาทั้งคืนก็มีอันนั้นอย่างนย่งคืนหลังจากที่ตรัสรู้ใหม่ๆใช่ไหมพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอนุโลมปฏิโลมอนุโลมและปฏิโลมทั้งคืนนั่นแหละคือลักษณะของปัจเวกขณะยานที่พิจารณาทบทวนไข้ครวญสิ่งที่ได้รู้ไปแล้วสิ่งที่ได้ตรัสรู้ไปแล้วสิ่งที่ได้บรรลุไปแล้วผู้ใดก็ตาม เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะท่านนั้นแหละคือผู้มีสาระในบรรดาสัตว์ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายคือผู้ที่มีแก่นสารผู้ที่มีแก่นคำว่าแก่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคนมีกระดูกกันนะกระดูกก็เรียกว่าแก่นได้ไหมแต่แก่นของร่างกายก็เรียกกระดูกกันนะแต่ทีนี้แก่นทางความคิดจิตใจแล้วก็คือมีศีลเป็น แก่นเพราะฉะนั้นใครที่จิตใจไม่มีศีลเลยก็เรียกว่าคนไม่มีแก่นเหมือนกันใจของใครที่ไม่มีสมาธิก็เป็นใจที่ไม่มีแก่นใจของผู้ใดไม่มีปัญญาก็เป็นใจที่ไม่มีแก่นถ้าผู้ใดถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้แทงตลอดอริยศัตว์ได้ก็เรียกว่าผู้มีแก่นในบรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้ปราศจากแก่นสารนี่นะ กมูสัตว์ทั้งหลายก็ได้อะไรบำเรอไขมันเป็นต้นใช่ไหมมันก็ไม่มีแก่นสารอะไรนะไขมันมากไปก็เดือดร้อนอีกแล้แต่ว่าพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีแก่นสารคืออริยะคุณทั้งหลายมีคุณธรรมภายในเป็นแก่นสารผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอริยะคุณตั้งมั่นอยู่ในการปฏิบัตินี่แหละเรียกว่าผู้รุ่งเรืองในสัตว์ทั้งหลายรุ่งเรืองนะนะไพโรธ ก้าวล่วงหมู่สัตว์ทั้งหลาย <c oughs> รวงเรองปลกลายเป็นบุคคลพิเศษไปทันทีเลยอย่างสมัยพุทธ ก, กาลเนี่ยนะท่านสุเนตตะเนี่ยเกิดมาไอความที่อดีตชาติปากไม่ดีไปด่าพระอาหารหันต์ไว้ว่าโอ๊ยปด่าพระที่บินทบาตนะบอกท่านไม่มีอะไรทําจริงนู่นไปเก็บอุจจาระเหมือนนนะ คือคือคนเราเกิดมามันก็ต้องทํางานนี่ยนีที่ขี้เกียจเหลือเกินมาเที่ยวบินธบัติขอทานเขากินไม่ ย, ยอมทํามาหากินแต่ไม่มีอะไรทำจริงๆน่นเอาไปเก็บอาชีพทำเก็บอุจจาระไปกรรมมั น, น, น, นั้นเนี่ยทำให้เกิดมาชาติสุดท้ายของท่านเกิดมาในตระกูลคนเทดอกไม้เทดอกไม้ก็เก็บอุจจาระอุจจาระมาใส่ถังเสร็จแล้วเอาดอกไม้วางไว้ข้างบนจะได้หาไปทิ้งได้หาไปทิ้ง น, นอกเมืองนั้นอาชีพก็เป็นแบบนั้นตามตามตระกูลมา ตอนหลังพระพุทธเจ้าไปบินทบาทถนนเส้นนั้นพอดีอ น, นะตั้งใจจะไปสงเคราะห์นนะท่านก็อายท่านก็หลบ น, นะคือคือคนที่อาชีพเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่อายคนอื่นมากไม่กลา้าพบไม่กลา้าเห็นคนอื่นหรอกเก็บเก็บตัวเงียบพุทธเจ้าไปทางนั้นท่านก็พยายามจะหลบแต่ก็หลบไม่พ้นองก็ถามว่าเธอจะบวชไหมบวชท่านบวชปฏิบัติบรรลุเป็นพระอรหันในวันนั้น น, นะพอบรรลุเป็นพระอรหรันตะ์กลายเป็นผู้รุ่งเรืองทันทีเลยททเทวพระอินทร์ก็มากราบไหว้ท่าน พรมทั้งหลายก็ามากราบไหว้ท่านเพราะท่านปฏิบัติอยู่ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาถึงพร้อมด้วยวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะทัศนะภายในวันเดียวกลายเป็นผู้ที่รุ่งเรืองที่สุดเพรผนผู้ใดปฏิบัติอยู่ด้วยศีลมีสมาธิมีปัญญาถึงพร้อมด้วยวิมุตนะรุ่งเรืองกว่าคนทั่วๆไปจริงๆกลายเป็นบุคคลพิเศษทันทีขอให้มีคุณธรรมเหล่านี้เถอะเพราะผู้ที่มีคุณธรรมเหล่านี้กลายเป็นคนที่ รุ่งเรืองเป็นบุคคลที่เจริญแล้วท่านเป็นผู้ที่ได้รับการยกขึ้นในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอย่างพระอริยาสาวกเนี่ยนะท่านได้รับการยกออกจากที่ไหนบ้างยกจากไหนพระโสดาบันเนี่ยถูกยกออกจากอะไรพระโสดาบันนะท่านถูกยกออกจากนรกแล้วนรกกี่ร้อยขุมก็ช่างท่านยกออกมาแล้ว ยกออกมาจากไหนเปรตยกออกจากอสุรกายยกออกจากเดรัจฉานทั้งสัตว์บกสัตว์น้าท่านไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์บกสัตว์น้ําที่เป็นเดรัจฉานอีกต่อไปถูกยกออกมาแล้วถูกยกออกจากการเป็นมนุษย์แม้กระทั่งภพที่8ถูกยกออกจากบาปยกออกจากอกุศลคือถูกยกเหมือนกับว่าเหมือนกับจับยกออกมาจากนรกอ่ะนะเรียกว่าจับยกออกจากสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายนนั้ท่านเป็นผู้ที่ยกขึ้นแล้ว พระสกะทาคามีก็ถูกยกให้สูงขึ้นไปกว่า น, นั้นอีกให้ออกจากปฏิสนที่ในพบที่สองเป็นต้นพระนาคามีก็ถูกยกออกจากกามมาพบพระรหันก็ถูกยกออกจากทุกข์ทั้งมวลได้วันท่านเป็นผู้ที่ถูกยกขึ้นใครยกพระพุทธเจ้ายกขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ตรัสรู้เนี่ยนะตรัสรู้ก็ถือว่าตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์นี่ยกขึ้นแล้วเพราะพระองค์เป็นกลุ่มที่อะไรนะข้ามได้เองและจะช่วยอย่างสัตว์อื่นให้ข้ามด้วยวันคำสอนเนี่ย โดยเฉพาะคำสอนอริยสัจผู้ใดตรัสรู้ตามก็ถูกยกออกจากวัตตะได้อย่างเสร็จสิ้นแล้วสัตตานังเอสิกาเป็นผู้มั่นคงในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะปกติปุถุชนทั้งหลายมั่นคงไหมเขาฆ่ามาเราฆ่าตอบไหมปุถุชนนะเอาคืนบัางนะฆ่ามาก็ฆ่าตอบเป็นต้น <c oughs> มันปุถุชนนั้นเป็นคนที่พร้อมที่จะทุศีนทันทีไม่มีความมั่นคงอะไรเลยเนี่ยนะพร้อมที่จะเสียหายพร้อมที่จะฆ่าก็าได้พร้อมที่จะลักทรัพย์ก็ได้พร้อมที่จะประพฤติผิดในการพูดคำเทศพร้อมที่จะดื่มสุราและไม่ไรแสดงว่าขาดความมั่นคงอย่างมากพระรยะไม่เป็นอย่างนั้นพระโสดาบันเนี่ยมั่นคงในศีลขณะเดียวกันท่านก็ยังมั่นคงในพุทธคุณท่านมั่นคงในพระธรรมคุณมั่นคงใน สังฆคุณมั่นคงในศีลทั้งหลายยิ่งผาอริยระดับสูงขึ้นอีกยิ่งมั่นคงไปกว่านั้นอีกท่านมั่นคงในศีลมั่นคงในสมถะมั่นคงในวิปัสนามั่นคงในสติมีสติมั่นคงเนยนะมีปัญญามั่นคงคือคุณธรรมทุกอย่างที่ท่านมีเนี่ยมั่นคงหมดเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเสียหายมันท่านจึงเป็นผู้มั่นคงในหมู่สัตว์โทกเลื่อนลอย ศรัทธาของพุถุชนนี่ปกติอะไรนะก็คือสิ่งที่เลื่อนลอยสังเกตดูจากไหว้พระเนี่ยบางวันก็ปีติโอ้ยดีใจมากบางวันก็แห้งแล้งเต็มทีสักแต่ว่ากราบให้มันหมดหมดไปบางวันนี่ยโอ้ยพุทธคุณแต่ละบทซึ้งเหลือเกินบางวันเมื่อไหรจะสวดจบสักทีอะไรเงี้ย น, นะนก็อย่างนี้แหละมันเลื่อนลอยนะไม่ค่อยแน่นอนอะไรรอกขึ้นขึ้นลงลงลุ่มลุ่ ม, มดอนดอน น, นะไม่มีความมั่นคงแล้วแต่ลมเหนือลมใต้มันจะพัดมาพัดไปเนี่ยนะ แล้วก็ขณะเดียวกันนี้ก็ง่อนเงี่อนเงีงงงเต็มที่นะปุตุชนนั้นเป็นอย่างนั้นแต่พระอริยะไม่เป็นอย่างนั้นปุตุชนทั้งหลายเนี่ยนะถ้าคนอื่นเขามาขายมิจฉาทิ่ฐิให้รับพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนยนะพร้อมที่จะเป็นเข้ารับที่ใดก็ได้ถ้าแกเสนอมาดีฉันพร้อมที่จะเรียกว่าอะไรนะเข้ากลุ่มไหนก็ได้พร้อมที่จะเข้าได้ทุกลัทธิทุกกลุ่มทุกนิกาย ทุกหมู่ทุกพวกทุกเหล่าเพราะฉะนั้นพร้อมจะเกิดได้ทุกแห่งเหมือนกันนั่นคือลักษณะของปุตุชนเพราจึงเรียกว่าพวกอะไรนะแงนหน้าดูหน้าศาสดาไปเรื่อยซึ่งต่างจากพระอริยะทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นพระอรหันเนีอ้แม้กระทั่งพระโสดาบันเนี่ยนะพระโสดาบันเนี่ยท่านเนี่ยเป็นเหมือนกับเสาหินยะเหมือนเสาหินเ ส, า, ส, เสาพระโสดเสาพระเจ้าโสดก้อนใหญ่เลยใช่ไหม ยาวอย่างน้อยก็16หศอกถ้าปักลงไปในดินสัก8ดศอกสี่เมตรเนี่ยนะพลอขึ้นสักสี่เมตรเนี่ยลมทิศไหนจะพัดให้มันไหวได้ไหมไม่ได้ฉันใดพระโสดาบันผู้เห็นอริยสัจแล้วก็ฉันนั้นไม่มีมิจฉาทิฐิบุคคลใดไปให้ท่านเปลี่ยนเป็นอื่นได้เนี่ยนะให้เปลี่ยนว่าทุกไม่ใช่ทุกสมุทัยก็ไม่ใช่เหตุแห่งทุกนิพานไม่ใช่นิพานมรรคไม่ใช่มรรคเป็นต้น ปฏิเสธอริยสัจปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นทำไม่ทำไม่ได้เพราะท่านเป็นผู้ที่มั่นคงอย่างแท้จริงเนี่ยนะไม่มีที่ใดที่จะทำให้ท่านทุศีนได้ถ้าเพราะท่านเป็นผู้มั่นคงแล้วบางคนเนี่ยมันอะไรนะมีศีนเป็นบางที่แล้วก็ทุศีนเป็นบางแห่งใช่ไหมไม่มั่นคงตลอดไปแต่ถ้าพระระยะมั่นคงตลอดตลอดไป นี่ทีนี้ทำทำยังไงเราจะได้มั่นคงตลอดไปทุกหนทุกแห่งทําไงดีสมาทานสิสมท า, านเอาไว้บ่อยๆตั้งใจเอาไว้บ่อยๆจะได้ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นต้องสมาทานเอาไว้กับทุกหนทุกแห่งทุกที่และทุกอารมณ์เนี่ยนะสมาทาน <Yam or! S 1> เผื่ออนาคตด้วยนะจะให้ดีนะต้องสมาทานศีลเพื่ออนาคตสมาทานเพื่อพรุ่งนี้ปรืนนี้ปีนี้ปีหน้าถ้าจะให้ดีสมาทานเผื่อชาติหน้าด้วยก็ยิ่งดี ชาติไหนๆจะไม่ขอทําบาปแลยนะตั้งความปรารถนาไว้แล้วจะไม่ขอทุศีลโดยประการทั้งปวงเหมือนกันถ้าข้าพเจ้ายังท่องท่องเที่ยวอยู่ในวัดตะสงสารขอให้ข้าพเจ้าอะไรก็ว่าไปในเรียกว่าสมาทานเพื่อชาติหน้านะอย่าเบื่อหน่ายนะสมาทานาไว้ถ้าไม่สมาทานนะเอาเหอะจะได้เหตุได้ปัจจัยพร้อมนะเอาแล้วได้ทําบาปอีกแล้วเนี่ยนะพอตอนทําบาปนี่นะมันแปลกนะ อากุศลเนี่ยตอนทำมันมีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยมันมีความเต็มใจมีความพอใจสะใ จ, ใจเต็มที่ที่ได้ทำชั่วพอทำเสร็จก็เดือดร้อนเนี่ยนะเหมือนพวกเล่นการพนันมันเต็มใจเล่นมากเลยนะโอ้โหทุ่มเทหมดเนื้ อ, ห ม, อหมดตัวกลับบ้านนี่บาวิวเลยนะไม่น่าเลยเนี่ยนะ <c oughs> มันก็ปุถุชนทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นต้องหมั่นสมาทานเอาไวา้เยอะๆจะได้ไม่ต้องไปทาบาปจะได้ไม่ต้องไปทา อกุศลอีกต่อต่อไปพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นประเภทเหมือนกับดอกไม้ที่หอมหัวในสัตว์ทั้งหลายท่านปุตุชนเนี่ยนะโชยกลิ่นความทุศีนออกมาใช่ไหมปานาติบาสนี่กลิ่นมันก็แรงนะอธินนาธานก็กลิ่นแรงกาเมสุมิชฉาจารยิ่งแรงมากมูสานี่ก็กลิ่นแรง เดิมสุราก็ยิ่งกลิ่นตัวก็แรงกลิ่นอย่างอื่นก็แรงหมดเสียหายหมดนะนะกลิ่นคือความทุ่มสีเนี่ยมันเหม็นทั้งทวนลมเหม็นทั้งตามลมเหม็นทั้งอุ้ยเหม็นไปทุกพบเลยแหละแต่ถ้ากลิ่นพาะระยะทั้งหลายท่านเป็นผู้มีศีลใช่ไหมท่านจึงมีกลิ่นศีลที่หอมหวนเนี่ยนะมีเขาบอกว่า พอเทวดามาเยี่ยมพระอริยะบางรูปท่านบอกว่ากลิ่นมนุษย์มันเหม็นมากไม่ใช่หรือว่ากลิ่นของกลิ่นเีนของท่านเนี่ยกลบหมดแล้วว่างั้นเพราะท่านมีกลิ่นเีนกลิ่นสมถะกลิ่นวิปัสนาเนี่ยนะหอมหวนมากเพราะท่านจึงเป็นผู้เหมือนกับดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมในบรรดาดอกอุตรพิษ ท, ทั้งหลายปุถุชนเนี่ย เ, เหมือนกับพวกดอกอุตรพิษใช่ไหมดอกอุตรพิษก็คือดอกไม้ที่มันเดินไปใกล้ไม่ได้เลยนั่นดอกบุกดอกอะไรนะหัวบุกใช่ไหม ดอกบุกนี่ก็คือที่ที่กุฏิเนี่ยพวกกันที่กุฏิที่ที่เคยอยู่เก่าเนี่ยมันจะมีใครเอาฆ่สัตว์หนูตายมาทิ้งไว้แถวนี้ใครมาเทอุจระอะไรไว้แถวเนี้ยแล้วดูไปดูม า, มาแมลงวันตอมเหมืองอ๋อดอกบุกนี่เองเนี่ยนะดอกบุกนี่เหม็นกลุ่มพันเดียวสายพันเดียวกันกับพวกอุจพิษเนี่ยนะพวกอุจพิษเป็นดอกไม้ที่ ท, ที่ดูสวยแต่ว่ากลิ่นเนี่ย มแมลงวันชอบมากเนยนะไปบินว่อนอยู่แถวนั้นแหละนะก็ปุตตุชนทั้งหลายเนี่ยกล่นประเภทนั้นโชยออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็โชยกลิ่นทูศีนกล่นค้างกลิ่นการฆ่าบ้างกลิ่นการลักบ้างกล่นกลิ่นที่เกิดจากมิจฉาวาจาเป็นต้นโชยออกมาเป็นระยะๆซึ่งต่างจากพระอริยะทั้งหลายผู้มีศีนท่านสมบูรณ์ด้วยกลิ่นอันหอมแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ ผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายควรแก่การบูชาเพราะผู้ใดก็ตามบูชากราบไหว้ผู้ที่ควรบูชานั่นเป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูงเป็นเหตุให้ตระกูลสูงเนี่ยนะเพราะท่านเป็นผู้ที่ควรอ่อนน้อมเป็นบุคคลทั่วไปควรไปกราบไหว้น้อมกราบถึงสีละคุณของท่านกราบสมาธิคุณกราบปัญญาคุณของท่านกราบในความปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความ พ้นทุกปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเป็นทุกที่ตั้งมั่นอยู่ด้วยความซื่อตรงบรรลนั้นการที่ไปอ่อนน้อมแก่ผู้ที่ควรอ่อนน้อมบูชาผู้ที่ควรบูชายกย่องเทิดทูนบูชาทั้งด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูบชานั่นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขใช่ไหมเหมือนที่พระ อ, องค์ตรัสในมงคลน่ะนะปูชาจะปูชนียานังเอตมังคามุตตะมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั่นเป็น เหตุแห่งความเจริญที่เรียกว่ามงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความรุ่งเรืองเหตุแห่งความปราศจากทุกปราศจากภัยนั้นผู้ที่บูชาคนที่ควรบูชาดังกล่าวเนี่ยนะอย่างที่พระองค์ตรัสว่าอภิวาทนสีเลทะจังมุทฒาปจายิโนจัตตโรธรรมาวัฒนติอายุวัโนสุขังพลังเนยนะนั้นผู้ที่กราบไหวบูชาแก่ผู้ที่เจริญเจริญแล้วเช่นเจริญด้วยศีล กราบไหว้ผู้ที่เจริญด้วยศีลสุตะจาคะปัญญาเจริญด้วยฮิริโอตาปะเจริญด้วยสติสัมปชัญญะเจริญด้วยสติปทานเป็นต้นการไปกราบไหว้ผู้ที่เจริญด้วยคุณธรรมทั้งหลายด้วยคุณงามความดีเป็นต้นนั่นเป็นเหตุให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขและกําลังเนีะทำให้อายุยืนขึ้นนะการกราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้เป็นเหตุให้อายุยืนขึ้นไปเกิดที่ใดก็ทําให้ อายุยืนเนี่ยนะทําให้มีผิวพรรณที่งดงามทําให้เจริญสมบูรณ์พูนสุขไปด้วยความสุขนะนะมากไปด้วยความสุขแล้วก็มากไปด้วยผิวพรรณที่งดงามเนี่ยนะอายุวันนสุขภาระเนี่ยนะเจริญด้วยอายุเจริญด้วยผิวพรรณวันณะแปลว่าผิวพรรณที่งดงามหรือวันณะที่สูงเนี่ยนะเจริญด้วยความสุขและเจริญด้วยกำลังเจริญด้วยกําลังกายและกําลังปัญญา เจริญด้วยกำลังกายกำลังใจเนี่ยนะกลังโดยเฉพาะกำลังปัญญาก็จะเจริญเพราะว่าผู้ที่เคารพต่อผู้ที่มีคุณก็แสดงว่าพร้อมที่จะน้อมรับโอวาทคำสอนของผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านั้นแล้วเขาก็จะเจริญด้วยคุณธรรมถ้อยคำเหล่านี้ที่เราควรจะทรงจำเอาไว้เพื่อจะไปเจริญสังขานุสติละลึกถึงความปฏิบัติดีของ พระสงค์ส่วนศีลานุสติก็คงเป็นอาทิตย์หน้าใช่สำหรับอาทิตย์นี้เนติปรกรณ์ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้